นักมตัดสะภควัตตูอระหาตูสัมมาสัมพุทธะนะมูตัดสะภควัตตูอระหาตูสัมมาสัมพุทธะนักมูตัดสะภควัตตูอระหาตูสัมมาสัมพุทธะ พุทธังธรรมังสังฆนามิสามิอิตูปรังสกจังธรรมโมโสตโพตีตเนี่ยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้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 หน้าตากิริยาท่าทางไปมาเช่มชื่นดีทุกคนเพราะว่าตั้งใจมาทำบุญทำกุศลกันนี้วันนี้ก็บุญนะต่างคนต่างเหนื่อยที่มาพบกันบุญมันทับกันโยมมันนี้บุญมันทับกันก็เลยหลาย ทิศหลายทางมารวมกันทะานั้นอาการอะไรที่ไม่สะดวกนะทางวัดในทางทายกตายิกาทั้งหลายก็ขออาัยนะมันมากก็เป็นอย่างนี้แหละมันมากเราจะไปคนเดียวกันก็กลัวไม่อยากจะไปกันนี่ก็ไปมากๆคนมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะอืออย่างเราเห็นมานี้นะมันเรื่องของของพวกเราก็เป็นอย่างนี้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 ยิ่งเกิดความสะดวกเลยเนะี่ยอย่างตั้งใจมาทอดผ้าป่าวัดนานาชาติแห่งหนึ่งวัดป่าพงค์แห่งหนึ่งบัดนี้บุญเราได้ให้มารวมกันที่เดียวเลยสบายขึ้นไม่ใช่ว่ามันมีของอยากแต่มันง่ายขึ้นทีเดียวหลยรวมรัฐไม่ใช่รวมรัดในทางที่มันผิดในทางที่มันถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างท่านเอ่ยกล่าวกันไปแล้วนั่นนะ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 ตั้งแต่เบื้องแรกอาตมาเคยเตือนว่าโยมโยมมาคมปล่อยเรือเล็กลงทะเลมองๆดูด้วยนะมันลมมันฟองอ่ะ <c oughs> ช่วยๆมองดูด้วยนะอย่างเงี้ยท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วนะบัดนี้ก็เลยติดตามอันนี้มาตลอดการตลอดเวลาอาตมากา็มีความรู้สึกในจิตใจว่าดี อืสมรังเกตนาทุกอย่างที่จะรู้ดวงไปก็เพราะญาติโยมอย่างนี้อืฉะนั้นวันนี้ก็จึงขึ้นธรรมารนี้มาพูดกับญาติโยมแต่เพียงเล็กน้อยไม่เอามากอาตมาก็เต็มทีเหมือนกันวันนี้หลายวันมาแล้วนะดูฟืนหน้าวัดดิมันกี่หมื่นกี่แสนรุ่นนะ่ะอืม เอาอย่างนี้นะไม่มากคืออัตมาจะปราลบเล็กๆแต่น้อยต่อไปนั้นก็จะให้ท่านพระภากลูนะอธิบายธรรมะให้ญาติยมฟังมันเป็นอาหารที่แปลกแปลกมันมีรสในหลายอย่างรวมกันเช่นว่ายกง่ายๆไอ้พระฟรังที่จะเทศน์นั้นเราคงไม่ นานจะได้ฟังนะเทศภาษาไทยภาษาลาวนี่นะยากที่จะได้ฟังมันยากเป็นของ แ, แปลกๆเหมือนกันแหละเออมันเป็นเองมันนะอันนี้มันก็เป็นเองมันนะพูดภาษาไทยก็เพราะภาษาลาวก็เก่งพูดภาษาลาวอาจจะเก่งกว่าพวกเราทั้งสุได้นะอย่างเนี้ยอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้แค่นั้น การบุญการกุศลอันนี้สำเร็จมาด้วยความสามัคคีกันทุกคนที่รวมมือรวมใจกันโบส์ก็เสร็จไปเหลือแต่เรียกน้อยเหลือแต่ปีกแต่หางมันเท่านั้นเนละยมันง่ายขึ้นแล้วมีโบสถ์แล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกนะก็มีพระประธานอีอม มันก็สมกับคำที่ว่าก้าวๆนะมั้งนะมันก้าวไปเรื่อยนี่โยมจะบายทานมาบอว่าอันนี้ก็ก้าวไปเรื่อยมันก้าวไปไม่หยุดในโยมนะในเวลามันก้าวไปให้มันก้าวไปก่อนนะเวลาหยุดมันมีหรอกมันเหนื่อยมันหยุดหรอกเวลามันไม่เหนื่อยให้มันก้าวไปถึงที่สุดมันเนี่ยมันก็หยุดอย่างนี้เหมือนเราประทานอาหารนั่นนะมันก้าวไปเรื่อยนะถ้ามันจะอิ่มนี่ยมันหยุดเองมาหรอกมันก็หยุด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 ใจิตใจเราเบิกบานใจิตใจเราสบายการให้ทานแก่บุคคลผู้อื่นนั่นพระพุทธองค์ทุกองค์งนั้นตัณว่าเป็นบารมีทานะบารมีทานะอุบบารมีทานะบารมัตพารมีคุณทำอันยวดยิ่งก็คือบารมีนั่นเองวันนี้ทุกกลุ่มที่มารวมกันเป็นบารมีบางคนจะได้แต่บาทานะบารมี บางคนจะดันกันไปถึงอุปบารมีด้วยบางคนจะดันกันไปถึงปรมาติปรมีก็ได้แต่มาในกลุ่มเดียวกันนั้นเนี่ยแต่ความรู้สึกมันต่างกันอย่างนั้นไอ้เนั้นบุญมันจะมากหรือบุญมันจะน้อยมันอยู่ที่ความที่ถูกต้องของพรกเราท่านทั้งหลายนี่ทุกคนรู้เอาในใจของเราเถอะบุญมันอยู่ที่ใจมันอยู่อย่างนี้แต่ตัวใจจริงๆมันก็ไม่มีตัวมีตน แต่ว่ามันมีสมมติไอความรู้สึกอันนั้นเป็นใจสมมติอย่างนั้นมันเป็นใจบุญก็เหมือนกันไอผลมันผลิดมาจากเหตุอันนั้นเนี่ยเดียกว่าบุญบุญมันเป็นอย่างมีความสุขถ้าใจเป็นบุญแล้วนะมองไปที่ไหนก็สบายตามองไปที่ไหนก็สบายหูฟังก็สบายพูดไปก็สบายจะนั่งจะนอนอยู่มันก็สบายสบายเพราะอะไร สบายเพราะมันไม่มีโทษอ่ามันไม่มีโทษมันถูกต้องแล้วมันมีทางแก้ไขมันอย่างหีบนี้แหละนี่มันทําเสร็จแล้วนะจะอะไรมาทํามันอีกแล้วก็ตั้งโชยเท่านั้นแหละใช่มใครจะเอาขวลนมาฟันมันอีกไหมเอากขกมาใส่มันอีกไหมเอาอะไรมาทํามันอีกไหมก็โชว์มันไว้เท่านี้ก็เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมันมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้ว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 มันได้มาเป็นบ้านคนก็เพราะความฉลาดของคนเรามาทำเรานี่ก็มันกันฉันนั้นตามองไปเห็นลูกหูฟังไปได้ยินเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันทุกอย่างที่มันเป็นไหฉะนั้นท่านจึงว่าอันนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั่นก็คือธรร ม, มะธรร ม, มะนั่นก็คือธรรมชาติหีบนี่ก็คือต้นไม้ต้นไม้นี่ก็คือหีบ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 ไอ้ที่มันจะเป็นมาตื่นเช้าขึ้นมานะมันมืดมาแล้วนะมองดูอะไรก็เกะกะทั้งนั้นในบ้านในช่องบนบ้านก็เป็นอย่างนั้นใต้ทุนก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นพูดก็เป็นอย่างนี้ไอ้คนเนี่ยทำไม่ถูกทั้งนั้นมันมืดแล้วนะระวังให้ดีๆนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ถูกสักอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าใจมันสกกระปรกอืมเอาไปวางตรงไหนมันก็สกกระโปรงไปทั้งนั้นนะอันนั้นท่านเรียกว่ามันเป็นบา บาปมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ตามองไปก็ทุกข์หูฟังแล้วมันก็ทุกข์อะไรมันก็ทุกข์ทุกไปทางนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันเกิดอย่างนั้นมันเป็นเหตุที่ให้เราเป็นบาปคือความไม่สบายใจนั่นเองเนี่ยอันนี้การกระทาบุญนี่ก็ทำใจให้เราให้มันสะอาดอืที่มันสุกกระโปรงให้มันสะอาดอไอ้ความสะอาดที่มันเกิดขึ้นที่สุกกระโปรง ไอ้สุกกระโปกมันมีอยู่ความสะอาดก็ถึงอยู่ทีนั้นเราทุกคนเหมือนกันพระพุทธองค์เจ้าก็เหมือนกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันสมัยก่อนท่านเป็นฆราวาสต่อมาท่านมาบวชท่านก็เป็นพระแต่ก่อนเจดียหนาปัญญายาวท่านมาฝึกสอนมันเจดียมันก็เบาไปบอกไปจนมันหมดจนมันสิ้นไปจนเป็นชีนาสาวก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 ไอ้ฉะนั้นเรื่องนำใจคนนั้นจึงดูเอาเองทำเอาเองวันนี้โคมันกันฉะนั้นญาติโยมมาทำบุญวันนี้ทุกคนมาเพื่อเอาบุญอาจจะไม่สมำเสมอกันก็ได้อาจจะยิ่งย้อนกคกันก็ได้เพราะปัญญาเพราะความสุขปกูกไนเหมือนกันฉะนั้นไอ้ฉะนั้ น, ะะ น, นทุกๆคนการให้อัตมา่ามันสบาย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 อย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั่นเนี่ยอาตมาขอเตือนพวกญาติโยมทั้งหลายทั้งตัวอาตมาเองนะจะเล่านิทานย่อยๆอันหนึ่งให้ฟังนะนิทานนี่อาตมาพูดด้วยลมันถูกจะดิดเนี่ยมันถูกจะดิตในสมัยหนึ่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากแต่มีความละเอียดอ่อนเลือกเกิน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 มันติดความดีถ้าคิดไม่ถูกต้องมันก็มันก็ไม่ดีนะวันหนึ่งเชาวพอข้าวเพียนมาพักอยู่พักอยู่อแอบแอบไปดูซะไปดูเขานอนเป็นแถวแถวไปดูแล้วก็ไม่สบายใจนะนอนเป็นแถวไม่เสมอกันนี่บางทีก็ซีสามันโผู่ขึ้นมาเสยบางทีก็เท้ามันโผล่ไปทั้งโน้นเช่ไ ไม่สบายใจมันไม่สม่ำเสมอนี่จะทําทยัางไงดีเนาะไอ้เปรตต้นนั่นก็ไปดูทางศีรษาก็ไม่สมานเสมอกันก็ไปดึงเท้าก็ลงไปดึงเท้าเสมอแล้วอ้ชอบใจแล้วนะก็หมดนึกว่ามันหมดปัญหาแล้วนะมาดูศีรษะก็ไม่เสมกอกระดีกซะแล้วอ้าวทาไมมันเป็นอย่างงี้แล้วก็อุตส่าห์มาดึงศีษา้าขึ้นมาอีกดึงขึ้นมานะ ทางศีรษะก็เสมอแล้วนะพอใจเนื่องมาปัญหามันหมดแล้วไปดูทางเท้าอีกก็ไม่เสมอกันอีกซะแล้วทําอยู่อย่างนี้นะหมดปัญญาเลยมันนั่งทอดหุยจะได้มันเป็นเพราะอะไรนาะนี่นะปัญหาเท่านี้มันก็ติดนะอืมไม่สบายใจมันเป็นเพราะอะไรก็ทําอีกทำอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะศีรษะเสมอแล้วเท้าก็ไม่เสมอ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 บางทีอาจจะเป็นมาแล้วก็มีนะรีบแก้มันให้ได้ถ้าไม่แก้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ความดีนะนี่มันเปรีดเป็นเปรียดเพราะความดีดีดี ด, ดีจนเกินดีมันเลยไม่ดีสะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นนะเอาละวันนี้ทำบุญวันนี้เพื่อให้ไปแก้ตรงนี้ให้มันได้นะอย่าให้มันมากขึ้นไปให้มันน้อยลงอย่างนี้ให้มันเสมอ เสมอให้มันน้อยหนุนน้อยหนุนน้อยจ น, ยนยใหมันหมดนะถ้าหมดแล้วเอาละถูกทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัษษมพุทธเจ้าของเราแล้วน่สมกับทำบุญเพื่อระกยีดิตันหาผููได้เต็มปากเลยทีน่นี่นะอย่าให้มันเป็นเป็นเปรตอีกนะถ้าเกียรติจะทำมาเออเนี่ยมันเป็นเปรตบอกว่ามันจะเป็นอะไรบอกว่าเฮ้ยเท่านี้ก็พออืมันจะเป็นอะไรบว่าเฮ้เท่านี้พอภาวนาเฮ้ยเฮเท่านี้พอละ ไม่ต้อาอะไรนะอันนี้ขอฝากแก่ญาติโยมชาวนครหลวงเราทุกๆกท่านนะอืทุกคนนะอันนี้จะได้เป็นอย่างนั้นถ้าทําอันนี้ได้จะได้บุญเต็มเปลี่ยนจะเป็นปรมาทพรมีนะถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นอุปบา ร, รมีนะถ้าได้นิดๆ น, น้อยๆก็เป็นบารมีเป็นฐานบารมีฐานอุบารบารมีฐานาปรมาทพรมีนะให้มันมี ให้มันมีไม่น้อยก็ให้มันมากให้มันพอดีให้เป็นอย่างนี้อันนี้ขอฝากนะเอาใน้น้อยเข็มๆนะนะเอาใน้น้อยเค็มๆไม่ต้องเอามากาจุดประสงค์เอาวันนี้ก็เหมือนนั่นเนะี่ยก็คงเอาน้อยวันนี้โยมทุกคนก็คงไม่อยากจะได้มากเพรมันเหนื่อยเนียนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยกันแล้วไอความเหนื่อยมันก็สำคัญเหมือนกันนะ ต่อนี้ไปขอขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังประพากโรูนะพระเมืองนอกอันนี้พระเมืองในเทศต้องเทศไปอย่างเนี้ยให้ประพากโรูท่านเทศได้ฟังเถอะอันเทศภาษาลาภาษาไทยไปเนะี่ยเพื่อให้เป็นยาบำบุงใจโยมให้ฟื้นขึ้นมาเสร็จนิดหนึ่งนะไอ้ควจะได้จำวัดกันนะต่อไปนี้วิฉะนั่นอขอบุญปสุสลที่ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้ตั้ง อ, อกตั้งใจมาทำในวันนี้นะจงให้เป็นผลสำเร็จทุกประการที่โยมทางหลหยที่ปรารถนาไว้แล้วทุกๆ ท, ท, ท่านเถิดนะเอาย่อๆนะจิตการของเราที่จะทำวันนี้ก็ ย, กย่นกับไปพอสมควรการถวายผ้าป่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิอะไรทั้งหลายเหล่านี้ ให้มันเป็นไปตามๆกันพอสมควรเมื่อจบเสร็จทุกอย่างแล้วก็จงตั้งใจตั้งใจไว้ในใจเข้าใจไหมตั้งใจไว้ในใจเอเอาตั้งใจไว้ในใจบางคนบางท่านก็ไม่รู้ว่าให้ตั้งใจไม่รู้ว่าตั้งวิธีไหน วันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าให้ตั้งใจไว้ในใจนะมีสติอยู่สม่ำเสมอให้จิตสงบสติอารมณ์เดือดตะความรู้ลอยไว้เหมือนตุดโฉโพธิระท่านไปฟังธรรมสามนิน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 ตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยความรู้ไว้ที่ใจคือให้ตั้งใจไว้ในใจแต่ดี <c oughs> วันนี้คือมากันฉันนั่นเพื่อจะจับความรู้สึกอะไรต่างๆ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 อันนี้เดียกว่าการกระทาบุญการกระทําบุญมันเกิดจากหลายอย่างเช่นทอดระถินทอดผ้าป่าอะไรหลายอย่างเป็นเหตุอันนี้เพื่อเป็นเหตุบุญสร้างบุญสร้างกุศลการพิจารณาให้มันดีให้มันเป็นบุญ เต็มเนื้อเต็มตัวของมัน <c oughs> บุญ ค, คือความภูมิใจ <c oughs> อย่างพวกเรา <c oughs> ทาั้งหลายในอุตสาห์พยายามเดินทางมาจากพระนครมาถึงจังหวัดอุ <c oughs> บลมาพักอยู่ที่วัดนองประพงษ์นี้มาด้วยความภูมิใจทุกคนพยายามมาด้วยความภูมิใจ มีอาคมเป็นประมุขประธานมาทำบนที่นี่หลายหนแล้วมีลูกศิษย์มากเหลืกินหลายคนต่างคคนก็ต่างมามีเหตุผลทั้งนั้นเรียกว่าคนเป็นส่วนมากร้ายกายร้ายใจยรวมเข้ากันจะหาความสงบระงับอย่างนี้ก็ดตอยากลำบาก ฉะนั้นพระจึงเห็นว่าสมกับที่ว่าทำบุญคือความภูมิใจอความภูมิใจการที่เราทำอะไรอะไรที่ถูกต้องนั่นแหะคือมันภูมิใจตาเราเห็นสิ่งที่มันถูกต้องเราก็ภูมิใจโอได้ยินสิ่งที่ว่ามันถูกต้องก็ภูมิใจ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 หมายความว่าการสร้างคุณงามความดีนั้นไม่มีปัญญ า, า, ากุศล น, นั้นคือตัวปัญญาบุญคือความภูมิใจแม้ภายในยิ่งไปกว่านั้นเช่นว่าพระจิตของพระที่ภาวนาทำกรรมฐานก็มีสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมาฐานนั้นทําใจให้สงบอืมําใจให้สงบเฉยๆหาใจสบายสงบนี่เดียว่าสมถะใครๆก็ทําได้เป็นบางครั้งทําไมถึงทําใจให้มันสงบเพราะว่าใจนี่มันริดนรนเรื้อกินมันไม่รู้จักจบมันไม่รู้จักพอ มันไม่รู้จักอินมันเป็นโอค์ก้นมันรั่วตักน้ำใส่กระทางบันมันก็ไหลออกกระทางวันเพราะอะไรเป็นอยู่เพราะอาศัยความอยากมันสิงอยู่ในใจอย่างนั้นใจจริงไม่พอไม่มีเงืนอนกออันนั้นเรียกว่าการกระทําบุญของเรา ให้มันจุใจของเรานั้นเพื่อฟอกใจของเราเพื่อทําใจของเราให้สบายสมถะก็ทกําจิตให้เปรี่ยมด้วยความสง บ, บอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าความสงบชนิดนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างบา ร, รมีเบื้องต้นของการทําจิตคือความสงบ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 นั่นเดียกว่าความรู้ตามความเป็นจริงรู้ที่เรียกว่าเรารู้เฉยๆสงบเ ฉ, เฉยๆเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ปรารถนา น, น, น, ะ, น, ะ, นะมันก็วุ่นวายอีกเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราก็วุ่นวายอีก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 จะมาทอดภาพป่าแล้วก้าวขึ้นรถไอ้คุณคมนะมะเอากระเป๋าเอากระเป๋าสตางค์ใสในถุงก็นึกว่ามันเข้าไปในถุงดีแล้วแต่มันพลาดออกข้างนอกดนลงไปจากถุงของเราไอ้คนนั้นก็นึกว่ากระเป๋าสตางนั้นเข้ากระเป๋าของเราแล้วก็โดยดีใจภูมิใจอ ย, ยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะ มาถึงโคราชก็ภูมิใจมาถึงที่นี้นก็ภูมิใจมาถึงวัดประพงศ์ก็ภูมิใจเพราะเข้าใจว่าสตางเรายังอยู่แต่ความเป็นจริงนั้นสตางเน่ยมันหายจากโน้นเมื่อขึ้นจากรถคุณคมคุมันดูดใจแล้วนี่คือความภูมิใจเหมือนกันภูมิความภูมิใจด้วยความหลงเข้าใจว่าสตางนั่นอยู่ในกระเป๋าเราแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น มันดุดออกจากโน้นเมื่อเวลาเราข้นโดดนั้นแต่เราเข้าใจว่ามันยังอยู่อย่างนี้แล้วก็ภูมิใจนี่คือความภูมิใจเมื่อมาถึงบัตรประโงคแล้วควักออกมาเลยจะเอาสตางค์นี่ทอดประ ป, า, ปาไม่เห็นเลยเนี่ยหมดเนี่ยขารอดว้าาเลยทีเดียวเน่ไม่มีซะแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจไอ้ความภูมิใจที่ไม่ถูกต้องมันก็มี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 ไม่ใช่บุญเฉยๆบุญเฉยๆก็คือกระเป๋าสตางค์แล้วมันโดนไม่รู้เรื่องก็ภูมิใจยืนเลยนะนี่คือเราเข้าใจผิดฉะนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เรียกว่ามีบุญเดี๋ยวก็มีกุศลมีการให้ทา น, ม, าทานมีความฉลาดดอบรู้อย่างนี้เช่นว่าการทอดท่าปานี่ก็คือการให้ทานนะเราให้ทานกันทําไมอย่างนี้นะ เราให้ทานกันทําไมเนี่ยต้องรู้จักเนี่ยงต้องรู้จักเหตุมันตั้ให้ทานกันทําไมให้ทานเพื่อเอาบุญบุญมันอยู่ตรงไหนบางทีเราไม่รู้เรื่องมันก็จะทําบุญเหมือนกระเป๋าสต่างมันดูดไปแล้วน่ยแล้วก็ภูมิใจอยู่ระนีเนี่ยใช่ไหมนี่คือเราให้ทำความเข้าใจการกระทําบุญคือทานบารมีนี่การให้ทานนี้นะอ่าอ่ ทั้งงเรายังไม่พอทุกคนทั้งเราก็ให้ทานไปอีกนะหรือโยอมพอหรื อ, อยังเนี่ยเงินทองพอแล้วหรื อ, อยังไม่มีใครพอแก้ไว้าทานไปอีกอเสียสาระไปอีกให้ทานไปอีกเพื่อเอาบุญนี่เพื่อเอาบุญบุญตรงนี้คือความสงบเนี่ยมันบุญแน่เนีบเนียนที่สุดแล้ว คือการกระทําเช่นนี้เพื่อให้ละลาภะเพื่อละโทสะเพื่อให้ละโมหะเจดียทั้งหลายกองนี้เพื่อให้ระงับอันนี้ท่านว่าให้มันดับจะให้มันหลับดับลาภะโทสะโมหะมันเป็นไฟไฟสามกองเนี้มันเผาตลอดการตลอดเวลามีชีวิตอยู่บนกองเขา ตายไปได้ก็ตามเผาเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนอกว่าไฟธรม ร, ฟธรมดาเราไฟธรรมดาเราก็ไปใกล้มันก็ร้อนออกมาเลยมันก็เย็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่มันร้อนอยู่ทั้งกลางวันกัา ง, า ง, า ง, า ง, างคืนนี่น <c oughs> พวกมนุษย์เราทั้งหลายก็เป็นธาตุรือทนเป็นธาตุของมันอยู่ตลอดเวลามันก็ทุกข์ตลอดเวลามิฉะนั้น พระบรมศาสดาของเราเองจังสอนว่าอืไอ้ความอยากนี่แหละคือว่ามันไม่พออืมแบ่งมันออกเสียบ้างเถอะหาให้มันตั้งแต่ต้นจนปลายมันก็ยังไม่พออยู่แล้วอืมนะชลีออกไปให้มันหมดไปให้มันน้อยไปถอนความอยากทำลายความอยากให้ถึงความสงบ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 ดับความวุ่นวายอันเกิดจากใจของเรานหนี่งดับลาคะดับโทสะดับโมหะทั้งสามประการนี้เมื่อมันดับแล้วก็คือให้มันเย็นสนิทอย่างนั้นพระนิพพานท่านคือหมายถึงว่าการดับการดับดับนี่บางคนงี้ดับแล้วมันจะมีอันนมันไม่มีวะ่ะแ้่ไม่ให้มันมีถ้ามีแต่มันร้อน เหมือนกันครับท่านให้หลับความร้อนในใจของเรานี่มันดับไปถ้าความร้อนมันเกิดขึ้นมาเราดับไปความร้อนมันดับเราสบายใจถ้าเราพูดถึงความหลับชนิตนี้เราก็เห็นว่าเออมันดับไปแล้วเราจะเอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเหมือนความร้อนมันร้อนอยู่ให้มันดับไปเพราะให้มันสงบมันเย็นนี่ทันจริงจับนี่ทันจริงเรียกว่า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 โยมมันเป็นกันอยู่อย่างนี้มันไม่จบล่ะเนี่ยฉะนั้นพระพุทธองค์ของเราเคียงจะว่าการทำอย่างนี้คือการให้มันดับหลับความวุ่นวายดับความอยากให้พิจารณาอย่างบันนี้เน่ยทำให้มันสบายให้มันดับคือความมันดับชนิดนั้นนี่คือมันได้มากแล้วมันได้นี่ก็คือมันได้ได้ความสงบได้ความระงับ มันดับจากทุกดับจากโทษทั้งหลายนี้ศัพท์นี้มันสูงเกินไปเราถึงมองไม่ถึงหรือเรามองข้ามมันใช่อันนี้ศัพท์อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากุศลธรรมการให้ทานหรือการทําบุญทําบุญทํากุศลมันติดกันอยู่สองข้างอย่างนี้ท่านจึงให้มีบุญมีกุศล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 ก็มาสร้างบารมีกันสร้างบารมีก็คือสร้างบุญสร้างกุศลอย่าลืมนะโยมนะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนานะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนาก็เหมือนกับหัวใจมนุษย์เราเรามานั่งอยู่ที่นี่เพราะหัวใจมาถึงที่นี่ก็เพราะหัวใจไปที่ไหนก็เพราะหัวใจ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 ถ้าเรารู้จักหัวใจของมันแล้วพุทธศาสนานี้น่ก็อยู่ในใจของเร า, า, า, าการกระทำบุญอันหนึง่งการละบาปอันหนึง่งการทำจิตในผ่องใสอันหนึง่งบุญสัพปาปจะอกระนั ง, าา ก, านงการกระทำบาปทั้งปวงนั่นแหละถูกต้อง เป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยอตมาเคยพูดวอยพูดย่ำบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญไม่รึกไม่สูงเกินไปพอมองเห็นได้ถ้าเราพิจารณาแล้วสมมติว่าไม่กระทาบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นเกิดบุญขึ้นมาตรงนั้นหีืว่าไม่มีบาปอืม พระพุทธองค์ของเราอยากจะทําพื้นฐานในมันหมดจดใสสะอาดเสียก่อยกรเป็นต้นว่าเราจะปลูกบ้านปลูกอาคารเหล่านี้เป็นต้นเราจะต้องตรวจตราดูดินดูสถานที่ที่ผูกกันนั้นนะให้มันได้สัสดส่วนเชี่ยก่อนผ้าที่บ้านเรากรมกันผ้าเราที่จะต้องเอาไปย้อม แล้วก็ต้องดูมันก่อนมันจกระปุกหรือเปล่าถ้ามันสบกระปรกแล้วก็ต้องไปซักไปฟอกลงแป็บท่านปอนเห็มันสะอาด อ, อ่แล้วก็เอาสีมาย้อมมันก็จะกินสีดีดังนั้นนี่ก็เดี๋ยวเราฟอกมนแล้วผ้าสะอาดแล้วมันก็กินสี อ, อการกระทาบุญทํากุศลของเราสมัคนกันทําจิตให้มันสะอาดถ้าทําจิตสะอาดแล้วคือเดี๋ยว ละบาปแล้วละความผิดแล้วละความชั่วทั้งหลายแล้วเราจรึงมาไม่ทํามาทําความดีมาทําสิ่งที่มันถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะ่ะพื้นฐานมันสะอาดแล้วทําอะไรก็จะเกิดเป็นบุญขึ้นมาเจ ป, ปาปาปะชะอาการนั่งละบาปเจก่อนละความผิดเจก่อน อ, อทําความจบกระปกุกเจก่อนให้มันหมดไปจึงย่อมผ้าก็เห ม, มือนกันเันนั้น นี่ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งฉะนั้นการกระทำบุญของเราวันนี้ก่อนเหมือนการก่อนจะถวายผ้าป่านี่ก็ต้องจะอาราธนาศินจะต้องทำทำสินให้บริสุทธิ์จักรนี่ก็คือซักผ้าฟอกผ้าให้มันสะอาดเองไม่ใจอื่นไกลหรอกมีอันเป็นเบื้องแรกเฉะนั้นอันนี้ถ่านจึงจัดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอืมนั อย่างแท้จริงการกระทําบุญอันนี้ต้องทําระความชั่วจะก่อนระความผิดจะก่อนละบาปจะก่อนเป็นธรรมดาแน่นอนอืนี่สัพพะปะจะการนังกุจอรุปปัสมปันธาความผิดเราเลิกแล้วระความชั่วเราละมันแล้กใจมันก็เป็นบุญเท่านั้นไงนี่ตรงนั้นไม่มเีเครื่องจักรปวกมงมมมตรงนั้นมันก็สะอาดเท่านั้นนั่นะ เป็นกุจอริสูปสัมปทาจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลสงบนับสบายอันนี้ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้ประารธานกุจอริสูปสัมปทาสกิตะปริโยตปันนังตอนนั้นไปมันก็ออกเดินเท่านั้นแหละมันก็สว่างเท่านั้ น, ม, นมันก็สบายทําใจของเราให้ฟองใช่ เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งสามประการนี้แหละข้าพุทธองค์ท่านวางไว้มาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนาสาสนังเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทํากันมาเมื่ออะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นหลักเลิกการกระทําบาปแล้วจึงทําบุญบัญญาถึงจะเกิดผลมันถึงจะเกิ ด, กดขึ้นมา มิฉะนั้นอย่าไปลืมการสร้างทำการสร้างบุญทำบุญนี่ให้ละบาปแต่ก่อนอย่างนี้เป็นมาแล้วการละบาปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ละบาปนั้นก็เหมือนกันเราเอาผ้ามาย้อมผ้าย้อมเอามาย้อมมันสกรกระบกมันจะสวยไหมมันจะกินสีดีไหมก็เหมือนกันอย่างนั้น ภายในจิตของพวกท่านทั้งหลายนั่นก็อหมอนกันแล้วก็ส่งคืนในเจ้าของตัวตัวเองมันมีอะไรไห ม, มแค่มันด อ, อกเท่าน่อยก็ได้ไอเทีมันยังเหลืออยู่อ่ะมีไหมอันนี้ปล่อยให้ส่งคืนในเจ้าของให้เจ้าของไปพิจารณาเองไอคนอื่นพิจารณาไม่ได้อะไรที่มันสกรปรกตรงไห น, นเป็นต้นก็ให้ทํามันตรงนั้นอันนี้เป็นโอวาาเฉพาะในวันนี้ ตอนนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแล้วให้ญาติโยมเข้าใจอันนี้เป็นการบ้านของชาวพนครหลวงมาวันนี้ให้อาไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากมันจะคุ้มค่าที่พากันมาทาอย่างนี้นี่ฉะนั้นคนที่สุดนี้การเวลาก็พอสมควรนะญาติโยมคงจะเหนิดจะเหนื่อยคกนไปถ้ามันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากได้อะไรนะ มันเจ็ดจะนอนถึงนั้นอ่ะอืใครจะพูดสวรรค์นิพพานก็จังกต่ฉันไม่เอาถึงนั้นนะฉันจะนอนของฉันเนี่ยออันตราจะฝืนเทศไปบางคนกระจายโทษหลวงพ่อน่ะแหมหลวงพ่อเทศนานไม่เปื่นด้วยเรามันจะอยากนอนแย่สำหรับนัาเน่ะก็เทศหรือจะเทศไมหยุดเงินยเด้อนี่ก็เกินกิเลสขึ้นมาอีกแล้วเนาะอันนี้มันก็มันก็จะไม่ดีนะมันเกินพอดีแล้วเอามันพอดีพอดีเสีย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 ก็เป็นเหตุอันหนึ่งจากศูนย์ความพอเราที่มานี้ที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่แต่นี้ไม่ค่อยขาดถึงเราดูปีบอสงวนมามาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกันคล้ายๆที่ว่าไอปลามันไปอยู่บวกหล่องน้อยมันจะแห้งแล้วนั่นแดดมันเผาทุกวันกมันจะดิ้นตายอย่างนั้นก็พอดีฝนมันตกลงมาจัดก็ชุ่มขึ้นมาอีกน้าก็ขังอีกนะ ปราก็ชื่นบานขึ้นมาอีกอย่างนั้นศูนย์หนึ่งที่มาทากับปัดน้องโพงก็เป็นอย่างนั้นจนตลอดถึงถึวนันนี้ฉะนั้นโดยอำนาจบุญกศุศลทางหลายที่พวกท่านทางหลายมาบารุงพุทธศาสนาเช่นนี้ให้อยู่กันสบายสงบตรงนี้บุญอันนี้ขอจงให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่ยาติโยมทางหลายที่มาบารุงนี้ พบนี้ก็ดีพบหน้าก็ดีพบใดๆก็ดีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี้จงเป็นผู้พบปะแต่สิ่งที่ว่ า, าที่ว่าที่ว่าเรื่องมันอดอยากที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์นั่นอย่าให้มีในใจของเราเลยผลที่สุดนี้ก็ให้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้ให้บรรลุสันทรีธรรมอันมีความสมบูรังรับที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอังนั้นขอท่านทั้งหลายนี้จงให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่พริภันษ์ในอนาคตการข้างหน้าน้่นเธอเอาแล้วน <c oughs> เอาใกล้ๆไม่เอาเอาใกล้ๆนีย